โลกคกลมไม่ออกแพ่เมตตาเหมือนเดิมส่วนมากจะเป็นคนแก่ๆนะไปแผ่เมตตาบางทีเขาก็มีปัญหาบ้านเมืองแล้วก็เขาให้สะเดาะข้อ้วยกันปล่อยควายนะมีไหมไปซื้อควายปล่อยมีไหมมีนะปล่อยปลาไหลมีไหมมีปล่อยเอี่ยนปล่อยเตามีไหมมีปล่อยนกวีไหมประเทศชาติก็จเจริญรุ่งเรือง ก็ไม่โงกเห็นไหมคำว่าปล่อยควายนี่เขาปล่อยความโง่ความโง่จิตเรามันมีความโง่งง่ายเขาให้ปล่อยโง่เหมือนควายนมันโง่มานานเนี่ยไอ้ควายโง่เอ้ยปล่อยควายโง่สัญลักษณ์สัญลักษณ์เขาแทนสัญลักษณ์เอาอาการเอาความรู้สึกนั้นให้ถ้าจะพูดตรงๆมันก็อะไรยอยู่เนาะจริงๆเขาจะให้ไปฝึกจิตนั่นแหละ ถ้าปล่อยความก็ปล่อยออกไปซะเนี่ยใจมันก็ดีขึ้นมาซะน้อยปล่อยเอยนเยน็นภาษาฝรั่งนะเนี่ยไปเปิดดูดิคือปล่อยความลื่นไหลอย่าให้มันติดอารมณ์เกิดมันชีวิตเนี่ยปลาไหลให้มันไหลไปเรื่อยๆ่อๆอย ๆ, ๆอย่าให้มันติดความคิดผิดความปรุงแตง่งปล่อยเตา นะปล่อยเต่าคือความหลงไม่ใช่ความโงความหลงนะงโง่เง่าเต่าล้านปีนะความงมงายคลั่งคลื้อตั้งหลายตั้งพวงปล่อยวางหน่อยบ้างเถอะปล่อยเต่าลงไปเนี่ยเต่านี่มันจะอายุยืนยาวนานมากเต่าเนี่ยอายุยืนยาวนานความหลงหลงในอารมณ์เราเนี่ยมันยืนยาวนานตั้งแต่เกิดจนตายนะท่านไปปล่อยมันซะนะเราก็คิดว่าจะความหลงมันจะออกซื้อมา30บบาทปล่อยเหมือนเดิม ง่วเหมือนเดิมกูนี่ปล่อยเตาสามสันเต่าตะนุเต่าทะเลเอาปล่อยลงไปนะปล่อยลงไปบางทีก็อ้าวมันไม่หลุดนะปล่อยอะไรปล่อยนกนะปล่อยนกให้มันโผลวินไปนะหลวงตาเดินไปในเมืองลําพูนนะหลวงพ่อปล่อยนกไหมเอาจับมาจากไหนนี่หลวงตาบอกเอาจะมาให้สุ ด, ดอกเคราะห์ล่ะเอายมเป็นเครานะห์นี่ยยมปล่อยเอาเองเลย ือทำไมปล่อยไม่ปล่อยเอาเองจะมาขายทำไมอ่ะโยมก็ปล่อยไปเองเลยดีนะแต่มาไม่ได้เป็นเพราะอะไรเนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยลูกยังไม่กินข้าวแน่ไปอีกอทิตนี่ยพรานกปล่อยนอกเขาเคยใหโผบินไปคือให้จิตมันสว่างสวัยมันว่างซะปล่อยอะไรเลยปล่อยให้มันสบายอกสบายใจนี่ยปล่อยมันโผบินไปเถ้ากิเลสตัณหาเนี่ยมันมารุมเร้าใจเราเลย Там, emperor, Stanford, hmm. แต่เราก็ไม่เข้าใจในความหมายก็ไปนกปล่อยเตาปล่อยก้าปล่อยแห้งมันก็อยู่ก an> ับประเพณีพิธีกรรมนี่แหละนะหมอดูหมอเดาเขาก็รวยเอารวยเอาแหละเนี่ยอ้าวจงไปปล่อยนะจงไปถวายสังฆทานกับวัดนั้นวันนี้ก็ไปถวายนะถวายสังฆทานกับนั้นก็ถวายพอไปที่วัดก็หลวงพ่ออยากมาถวายสังฆทานโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโยมเนี่ยเมีให้เช่าเนี่ยมีให้เช่าคู่ถังเนี่ย บริจาคเท่านี้แล้วก็มาเลยมาทําพิธีพอทําพิธีเอาไว้ที่เดิมคณะนั้นอโอ้มีให้เช่าเหมือนเดิมดอกไม้ก็เหมือนกันมีเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาอยู่นั้นแหละถามวาได้อะไรเราก็หลอกกันเล่นเล่นคือหลอกให้ใจมันดีนะนะเป็นเครื่องมือหลอกให้ใจมันดีอันนี้สิ่งที่จะทําให้ดีที่สุดคือเราไปฝึกเอาเองเลยฝึกวิปัสนาเนี่ยเเรามาทําแก่นมาเลยเนี่ยเราไม่ได้ทําเปลือก ถามวาดีไหมไอนั่นก็ดีอยู่ทําให้คนไม่ฆ่าตัวตายมันก็ดีอยู่นะไม่ใช่มันไม่ดีนะดีแต่นี้เราพูดแก่นมันนะเนี่ยแก่นทำอันนี้อยากให้มันถึงแก่นถึงแกนให้มันลึกไปถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านะฮะอีสานเขาว่าแกงใหม่แกงขอนแกงขอนบะถืมมอหมัมบวง แกงขอนกายมะม่วงคือมองไกลสัจธรรมนะ่ะมองเลยไปทรพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ก็มองไปเท่านั้นบางทีก่อนแกงขอนบะฮอดมะม่ว ง, มงไม่ถึงมะม่วงก็คือท่านพูดถึงเรื่องแก่นแล้วก็อยู่แถวตื้นๆ น, น, นี่ซะมันกว้างไปไม่ถึงนะ่ะนั่นพลังของศีลสมาธิปัญญาพลังของทานศีลอยังไม่ถึงภาวนาภาวนาก็ต้องเป็นวิปัสสนาลงทําใจจริงๆมาเฝ้าดูจิตเราจริงๆนะ่ะ ให้เห็นจิตเห็นใจเราจริงๆนั้นเวลาเราเกิดมาพบพบเรื่องศาสนาเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอย่างที่ว่าแหละแต่ว่าพบพระพุทธเจ้าพบพุทธภาวะอันนี้ได้เกิดในสมัยศาสนาพุทธมีแล้วเนี่ยการที่จะได้ฟังพระสัจ ธ, ธรรมฟังดีๆนะาการได้ฟังพระสัจธรรมนี้ก็ไปหาสิ่งที่หาได้ยากส่วนมากเราไปฟังเทศฟังธรรมเนี่ฟังแต่เรื่อง ชาดกเรื่องตลกเรื่องนิทานธรรมเดรริวอรี่นะ <c oughs> ตงตาก็ยังไม่เคยฟังนะันได้ยินเขาว่านะนะหรือทำฟังธรรมเทศแลนะแลนั่นแลนีนะ่ส่วนว่าแลไปแลมาแล้วเงินเรานี่ก็แลออกจากกระเป๋าก็ไปใส่นะทางเหนือนี่ไม่รู้กับเพนีเป็นไหนนะเขาก็มีวิธีเขาละ คือพูดง่ายๆว่าพระสงฆ์ไม่ได้ทำหน้าที่ตัวแทนของพระพุทธเจ้าความเป็นจริงเนี่ยศา ส, สนาพุทธมันก็เลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรอ่ะนะไม่รู้อะไรอะไรคือคำสอนของพุทธะดับทุกข์นี่ดับแบบไหนบางทีพระนี่ทุกขโยมนะพูดได้แต่อย่างเดียวทำบุญํำทานทำบุญํำทานอย่างเดียวนะทำวิปัสสนาสู่การรู้แจ้งไม่มีทาให้เกิดปัญญาเนี่ยเราไม่ได้พูดกันตรงนั้นทั้งประเทศเนี่ย พูดน้อยมากแล้วเราจะเอาความเจริญของศ า, ศาสนาพูดมาให้กับสังคมตรงไหนมันก็ไม่มีนะพิสูจทั้งหลายเธอจงท่องเที่ยวไปเพื่อลดน้ำมุนนะไม่มีนะท่านทั้งหลายจงไปตั้งมหาวิทยาลัยสอนญาติสอนโยมอันอเรียนนังเสียนหนังสือนะเนี่ยไปเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดแบบนั้นจงทาที่สุดของทุกให้แจง้ง แล้วไปเผยแพร่พรหมมจันท์พรหมจันย์คือความบริสุทธิ์เนี่ยเราบริสุทธิ์เอาความบริสุทธิ์ไปเผยแพร่แต่มันไม่มีตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราก็าเลยหายยากในประเทศไทยเนื้อหาไม่มีมันก็สมควรแล้วที่คนไทยทั้งหลายเขาแห็ไปปฏิบัติอยู่ต่างประเทศเลยนะไปฟังหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ท่านมาจากต่างประเทศคนหนึ่งพ่อในประเทศไทยมันหาไม่เห็นไงนไม่เห็นแก่นแะมันเห็นแต่เปลือกบางทีเนี่ยโยมนี่ยังดีกว่าพระนะ โยมเน่ยยังดีกว่าพระนะเพราะอะไรเพราะโยมมีปัญญากว่ามองเห็นความทุกข์เป็นเหมือนเขาก็ไปหาศึกษาหาปฏิบัติธรรมที่โน้นที่นี่เขาก็เกิดปัญญางั้นเรามองดูดิการได้ฟังพระสัตธรรมเป็นสิ่งที่หาไดยากยากไหม ย, ยากยากไปฟังที่โน้นที่นี่มันไม่มีลงตาเปิดทีวีดูของประเทศอินเดียนะ เขามีช่องสำหรับดูสีเทปดูสีตอบปัญหาโทรเข้าไปตอนนั้นเลยก็ถามตอบปัญหาแบบนี้แบบนี้ก็มีหมดช่องสวดมนต์นะประเทศไทยเราเริ่มเรียนแบบเขาบ้างนะนะก็เริ่มมีบ้างนะแต่ว่ามันไม่อยู่ในฟรีทีวีพอเขาอยู่ในฟรีทีวีนะนะคนเขามีความต้องการมากๆเขาก็ใส่ตามที่ต้องการ นันเป็นการสอนการบอกการกล่าวการทำอะไรเขามีวิธีนะของเรามันไม่มีนะมันไม่มีมันยากลำบากโยมคนหนึ่งอยู่กระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะได้อารมณ์สมาธิได้ความรู้สึกตัวเกิดปีติเกิดสมาธิขึ้นมาโอ้อนุโมทนาด้วยโยมเอ้ยว่าทำไปเถอะนะทาไปเถอะ โยมก็มีเงินมีทองไปดูแลครอบครัวโยมในขณะเดียวกันโยมก็ได้ธรรมะได้สติสัมปชัญญะไปล้างใจตัวเองที่ผ่านมาในพาราหาวปัญจขันธาขันธามันหนักหนักเพราะเรามีอุปท า, านเรายึดมันเพอเราปล่อยวางพวะลงไปเนี่ยจิตเรามันจะเบาขึ้นมานี่นยโยมทุกคนในนี้อาจจะมีอย่างวันนี้เริ่มได้อารมณ์หลายคนแล้วนะวันที่สี่ในปกติเนี่ยอารมณ์มันจะเกิดนะ อารมณ์มิปั ส, สนามจะเริ่มมีเริ่มมีปีติมีความโล่งความโปร่งความเบากวอะไรขึ้นมาเราไม่รู้หรอกเท่าทั้งหลายนี่ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่อยู่ในใจเรามันหนักขนาดไหนอ่ะเราก็มีธรรมดาใจเราก็คิดธรมดมธรมดาความโงธรรมดาอะไรก็อะไรก็ธรม ร, ธรมดาแหะชีวิตธรรมดามันไม่มีอะไรนียมันไม่ได้หนักแล้วท่านจะมาว่าดิฉันหนักได้ยังไงผมหนักอะไรผมไม่ได้หนักอะไรไม่ได้แบกอะไรนี่ ลราแบบนี้คือเราไม่เกิดปัญญาไม่เกิดดวงตามันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักอะไรมันเป็นแบบนี้แหละใครๆเขาก็เป็นแบบเธอนี่แหละที่มาปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยแต่พอปฏิบัติธรรมพอเกิดสติเท่านั้นแหละแค่เวลออาเอาน้ำมันมาใส่ลูบน้ำมันมาใส่ทาไปทาไปทาไปทาไ ป, ท า, ไปทาเรื่อยๆนี่รู้สึกตัวเรื่อยๆรืๆรืยๆมากเข้ามาเข้ามาเข้าไอสิ่งที่มันเกาะในใจเรามานานอยู่ๆมันก็หลุดพรวกลงไปเบาขึ้นมาดีนะ มันเบาว้าวมันสว่างสว่างสว่างสว่างสว่างมันเบาสว่างสะอาดสงบเนี่ยมันสว่างขึ้นมาในใจเนี่ยอันนี้มันหลุดพวกลงไปเลยโอ้อันนี้มันติดอยู่ในใจเรานานเมื่อเท่าทําเมื่อไร่ <c ười> เหมือนกับเรานี่แหละเราไม่รู้นะว่าเราหนักเท่าไหรเราเกิดมาเนี่ยมันหนักเนี่ยน้ําหนักมันจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่คนที่อื่นนี่มาเจอก็โอ้ลูกพี่ทําไมอ้วนจังเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ตัวเราเองรู้จักไหมเราอ้วนไม่รู้ เราโตขึ้นนี่เรารู้ไหมไม่รู้คือมันค่อยๆเชื่อมกันมาฉั้นกิเลสในใจเราเนี่ยมันสะสมแล้มาต่อนี่จนมาเป็นแบนี้วยที่เราไม่รู้ตัวอยู่ๆถ้าเราปฏิบัติทํามันหลุดอันนี้ไปเราก็รู้อ๋อเป็นอย่างนี้เองเนาะนี่เราก็เกิดความดีใจบางคนน้ําตาไหลพราดดีใจน้ําตาแห่งความปลื้มปิติยินดีไม่ใช่เสียใจนะนะดีใจที่อืหายโง่ดีใจที่รู้ได้รู้จากตัวเองขึ้นมา ดีใจที่ไอ้ น, นี้มันหลุดออกไปถ้างั้นก็โอ้ยกูจะแย่เลยในชีวิตกูเนี่ยหลังจากนั้นบางคนเขาไม่เอาเข้ามาเลยนะแต่บางคนก็ยังประมาทไปไเล่นๆหัวหัวสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งที่มันออกไปยังไม่ไกลอะร้ะรางเป็นผููไกลจากกเลตเขาไกลมากกิเลสมาอยู่คนละเรื่องอยู่คนละฝั่งเลยแต่ของเรานี่มันยังอยู่ใกล้อยู่ก็นึกว่าดับทุกได้แล้วมันออกไปใกล้ๆเองนะพราะสมัยเพลินมันเข้ามาอีกแน่นกว่าเดิมกูรู้ธรรมะนะว่า มันหลบเข้ามาแล้วเมื่อวานนี้กูก็เบาวันนี้ล่ะมันก็ธรรมดาวันนี้มันหนักมันดำมันเกิดมันเริ่มหนักขึ้นวันแล้วเมื่อวานนี้ไม่ง่วงเลยนะวันนี้ล่ะพอไปพูดไปคุยกับคนอื่นเอามันเข้ามาแล้วมันยังไม่ไกลอ่ะมันยังไม่เป็นอรหังของท่านทั้งหลายเนี่ยยังเป็นกะหังนะจริงๆนะกะหังกะหายกิเลสอยู่นะมันต้องเป็นอหัง อาหารอรหังอรหังอรหันต์ต่อสับไปพราะผูดไรจากกิเลสก็ทําให้มันไกลห่างออกไปเรื่อยๆไงก็รู้สึกตัวเรื่อยๆพยายามประคองตัวเองอย่างนี้เนี่ยมันยากแต่ก็ควรจะต้องทําเพราะชีวิตหนึ่งเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่ทําใครมาทําแทนไม่มีโยมจะมารอคนอุทิศส่วนกุศลให้ตอนตายเหรอ เกิดมันไม่ทำล่ะเดี๋ยวนี้มันยื้อแย่งรมรดกกันแทบตายเดี๋ยวนี้ยเรายังไม่ตายเนมันวุ่นวายแล้วมันจะเอานนั้นมันจะเอาอันนี้แล้วถ้าเราตายไปล่ะโอ้ยมันไม่ให้เราหรอกมันทำเมาซะเดี๋ยวเนี้ยปฏิบัติเอามีโยมคนหนึ่งอยู่ที่วัดนะอายุก็เยอะ น, ะะนะนั่นแหละนะเมื่ก่อนเขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับตัวเองใหญ่ยยบัว จะสร้างห้องน้ำใหญ่ยยบวกอุทิศให้กับใหญ่บวกไปแล้วจะเห็นหรอกถามว่าตาได้ยังยังหลวงตาทำได้ไหมแบบนี้ได้ได้มากเดี๋ยวนี้คนยายคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะขอทำบุญเนี่ยหลวงตาเขารอ ก, กับหลวงตากลับไปเขาอยากทำบุญให้กับตัวเองเขาไม่ใช่คนจนนะเป็นคนรวยนะ แม่แม่ยายของคุณเปียกเนี่ยแม่ยายของโยมติ่มเนี่ยลูกเขาเป็นราชการมดแต่ยายคนนี้ปฏิบัติทำแบบพุโทโธแต่ก่อนก็ปฏิบัติกับท่านภาวนาพุโทโธมาตรงพ่อภาวนาพุโทโธนะที่กุฏิมังกรนะ่ะไปตลอดจนมาวัดมาวาม า, มาฟังหลวงตาเทศน์อย่างนี้ หลวงพ่อภาวนาพุทโธถูกจับไปนะตอนนั้นเขามาปฏิบัติปฏิบัติไปหลายเรื่องเขาก็แก่อายุคือได้ใช้รถสี่ขาแล้วรถล้อเลื่อนเะนี่ยจูงไปจูงไปแต่ใจแกดีที่โลงตาเล่าให้ฟังว่าโยมคนนี้เป็นคนเดียวที่โลงตาเห็นมาในประเทศไทยเนี่ยที่ไม่กินข้าววันพลาตั้งแต่ปีสองพรยี่สิบหกมานานลรืยังอาจจะยังไม่เกิดนั่นเนี่ยหลายคนนะ ปีสองพรยหกมาเนี่ยเขาจะไม่กินข้าววันพระแปดค่ำสิบห้าค่าจนปัจจุบันเนี่ยยังไม่กินข้าวอายุตอนนี้ก็คือแปดสิบหปีพอวันพระนี่ยเขาไม่กินเลยนะแต่เขาทํากับข้าวมามาเลี้ยงพระในวัดนะทเข้ามาทําบุญตักบาตรสบายใจแต่แกไม่กินเนะี่ยเวลาไปตักอาหารนี่เขาไม่ไปตักนะ เขาก็นั่งสร้างเจ้หวะไปเขาเขาไม่เคยกินมาตั้งแต่ปีสองร้อยี่สหกแล้วไม่กินเลยนะทั้งวันเลยนะเป็นแบบนั้นโดยธรรมชาติเลยและใจดีใจดีว่าก mm hmm. ทีแรก mm hmm. เขามาวัดหลวงตากเอ๊ะทำไมไม่มีขาเข า, าเขาไม่ได้ถือศีลไม่ได้หลวงตายอมไม่ได้ถือศีลไม่ได้แต่โยมถือปฏิบัติแบบนี้เขาโยอมไม่กินข้าวมาแต่ไหนจะอะไร แกก็ทำความเปลี่ยนวงแกไปละแกก็ไม่กินข้าวพระเราไม่เป็นแบบนั้นวันพระยิ่งกินมากอาหารมันเยอะของแกเอาข้าวมาส่งเฉยๆแต่แกไม่กินคนไป่ตากให้แกก็ไม่กิ น, นกล้วยอันหนึ่งแกก็ไม่กินแกกินแต่น้ำใจดี วันหนึ่งแกคุยเรื่องปฏิบัติธรรมนี่แหละเราอารมณ์กรรมฐานใน้หลวงตาฟังเรื่องนัหลวงตาก็เลยแนะนําให้ไปทําต่อเถอไปทําแบบนี้นีแต่ว่าคงมาอยู่วัดไม่ได้ต้องอยู่ใกล้ห้องน้ําชีวิตเขาแล้วก็เป็นแบบนี้แหละต้องจูงไปจูงมาลูกหลานก็ไปโมด้ดเขาก็เป็นคนร่ําคนรวยมีเงินมีทองอยู่หรอกแต่ว่าพอถึงจังหวัดหนึ่งลูกหลานเนี่ยมันต้องเอาผัวเอาเมียออกไปหมดนะ่ะแล้วอยู่กับใครอ่ะมันจะไม่คิดมากเหรออย่คิดนะว่าท่านท่างหลายเป็นคนรวยแล้วจะ น, น, นะถึงวันนั้นนะ่ะท่านอาจจะได้ไปอยู่สถานเลี้ยงคนเจรานะนะยิ่งรวยมากก็ยิ่งอันตรายมากเพราะลูกหลานมันจะยื้อแย่งมรดกเนี่ยมึงเป็นคนได้เยอะนะมึงดูแลกูไม่ดูแลทันทีเลยนะกูไม่ดูแลมึงดูแลมึงได้เยอะเนะี่ยมึงดูแลไปเยอะกูไม่เอาของมึงอะ่ะบางทีมันก็เกลียดชังเราคุณแม่ลําเอียงจะให้ฉันดูแลยังไงเรารู้สึกกระเทือนใจนะ มันไม่ร e, ู้สึกว่าเราเลี้ยงมันมันเท่าไหร่มันยังไม่ดูแลเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วจะสบายเลยมึงดูแลได้กูก็ดูแลก็ดูดูแลไม่ดูแลกูก็ไม่ดูแลก็ไม่เป็นไรสบายเหมือนยายเขาเนี่ยแกสบายไปเถอะไปเถอะทางานทําการเถอะเนแต่ก่อนต้องมาเยี่ยมนะวันเสาร์ที่ต้องมาเยี่ยมเสาร์ที่ต้องมาเยี่ยมแต่นี้ไม่ต้องมาเยี่ยมเลยเขาปล่อยวางได้ลุงตาขอให้ไปทําอยู่ที่บ้านนะลุงตาเอายังไงมันจะจะรู้แจ้งทําเหมือนพระด้พระตื่นเวลาเท่าไหร่ที่เนี่ย โยมคนทาเหมือนพระที่บ้านนะ่ะลุกขึ้นทำความเพียรเลยกลางวันละ่ะกลางวันก็ทําตลอดไม่นอนกลางวัน อ, อโยมไม่นอนกลางวันว่าแต่ไหนแต่ไรทีบอกนะแล้วเดินจุกลมแล้วก็ถอดล้อนี่แหละดึงไปเรื่อยๆเรยๆดึงไปก็รู้สึกตัวไปก็นั่งทําแกหมาว่าแกจะนั่งสบายพอพูดอะไรแกกแกเรียกลูกแกทุกคนเรียกคุณนะเรียกคณนณะคุณเทีมยมจะยิงลูกแกนั่นแหละ คนต่อยคนนั้นคนนี้แต่ลูกเขากรทันอยู่กันทุกคนเลยนะแต่แกไม่ให้สนใจเรื่องของแกในพันศานะแกก็ทําทําไปทํำมาแกเกิดสว่างเกิดแจ้ง<ม>ขึ้นมาคนมันจิตดีอยู่แล้วนะจิตมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่รู้แจ้งเฉยเฉยมันไม่โกรธไม่หงุนหงิดคือเขาทันอารมณ์อยู่ระดับหนึ่งครับเพราะฝึกมานานแบบพุโทโธนะเขาก็เกิดสว่างเกิดการรู้แจ้งเข้าใจขึ้นมาก็ามีแต่อย่างหนึง่งว่า พาแม่ไปหาลุงตาหน่อยแก๋อยากมาเล่าให้ฟังนะว่าจิตแก๋มันเป็นยังไงวันที่ตอนนั้นมันเกิดอาการอย่างนั้นแล้วมันว้ายทำไมมันจิตมันดีอย่างนี้เนะี่ยก็อยากมาเล่าให้ฟังก็บอกว่าไปหาแม่ไปหาลุงตาหน่อยจากบ้านเขามาหาลุงตากคเจ็ดสิบห้ากิโลกไกลนะเฮ้ย <Hey, S 2> เลยเนะี่ยเจ็ดสิห้ากิโลอะไรกว่านะั้นประมาณสักแปดสิบโลนปดสิบห้าสิบนี่แลหละวะร้อยนะี่เนี่ยมันมันไกลนะ ขนาดไปถึงอำเภอโคกสรีสุพรรณนี่ก็เจ็ดสิบแล้วทีนี้มัออกไปบ้านโคกนาดีมันเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นร้อยนันแหละคิดดูนะไม่ถึงนะบ้างจะเก้าสิบห้านี่แหละไปเก้าสิบหกนี่เลยว่ะประมาณนี้แหละก็มากับมาเล่าให้ฟังมาเล่าฟังลุงลุงตาต้องแต่มันเป็นตัวนั้นแล้วมันไม่เป็นอีกเลยนะก็ทําอยู่ทุกวันทุกวันนะก็อยากให้มันมีอีกแต่มันก็ไม่เป็นอีกนะ แกว่าหรือมันสุดแล้วบอแน่หรือมันสิ้นสุดหรือยังนะเนาะแกว่านะไอนนที่ทําเนี่ยไม่เคยโกรธไม่เกลียดใครเลยใจ ส, สบายจิตเขานะ่ะจิตเขาดีก่อนลงตาจะมาเนี่ะหลวงตาให้ลูกมันถามบอกให้แม่ถามให้แม่หน่อยนะแม่อยากทําบุญเพราะอยากทําบุญหลวงตาให้แก่อายุเท่าไหร่ คุยกันนะนะแกาบอกว่ามันอาจจะอายุไม่ยืนยาวนานไกลแก็อยากทําบุญทําบุญให้ตัวเองได้ไหมเนี่ยได้ยินแต่หลวงตาว่าทําบุญให้ตัวเองเขาก็อยากทํหลวงตาก็เลยบอกฮะก็บอกเข้าไปนะพ่อของยายหมานนี่หลวงตาบอกว่าให้9 0 9าสิบหกเ้าเลย ตอนนี้ก็ได้เก้าสิบหกยังอีกสองปีก็ <g ül> มาหาลุงตาบอกว่าอยากตายแล้ว <g ül> ที่ลุงตาทํานายไว้แต่นานแล้วแหละประมาณสักได้สิบกว่าปีเนี่ยลุงตาว่ามันเก้าสิบเก้าสิบแปดปีตายเขาบอกว่าเขาไม่อยากเอาแล้วเขาเบื่อแล้วเนี่ยทำไงจะตายไวขึ้นได้เก้าสิบหกแล้วไม่อยากรอเขาว่าเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเพื่อมันจะถึงเนี่ยลุงตาก็เลยไปเอาอีตัวมาจากในครัว มาเอาโคมาผัดตรงนี้โอยไม่เอาแบบนี้เอาไงว่าจะตายแล้ววะ น, นั่นก็ไม่เอาอีกว่าเพราะจะฟันให้ก็ไม่เอานะอยากให้มันตายเองเหรอนะเอาจริงให้มันตายเองก็ต้องปล่อยไปเรื่อยๆแล้วว่าจะมาห่วงอะไรอีกเนาะเขาจะมานั่นนี่นนนอยู่นะโอ้ยอยให้มันตายเองเมื่อไหร่มันจะตายงลงท่าก็ทําไม่ได้แล้ววะทําอย่างเดียวก็คือดูชะตาให้กับข่าเอาเองเนี่ยพอได้ แต่ข้าวเองนี่ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเก้าสิบแปดจะข่า ว, วันนี้ก็คือไม่มีโอกาสได้ข่าแน่นอนเพราะมันจะไม่ให้ข้า น, นก็คือไม่ได้ข่า ค, คนนี้ก็สวดมนต์ทำวัดเองตอนเย็นเนี่ยเป็นคนแก่ผู้ชายหูหนวกหูหนวกนันไม่ได้ยินนะแต่ตอนเย็นเนี่ยจะสวดมนต์ตอนเช้าก็สวดมนต์พอตื่นขึ้นมาเอาเลยีอาลาังได้ยินไปสามบ้านลังค า, า, าด้วยนะ เขาบว่าจสวดดังหลายคุณตาคแกว่าแกว่าค่อยๆเองนะแกก็ดังไปสาหมู่บ้านนะคนว่าไม่ค่อยอยู่ใกล้ดังจริงๆนะเอาเต็มที่แกเลยนะแกแก่มากๆนะก็เก้าสิบหกนะจะขนาดไหนแต่ดังมากเพราะหูหนวกแทนที่ในอลาห์สมาสมบูรุปภะแบบนี้ไม่มีนะดังมากเขาว่าเสียงไค่เสียงตะไทรสวดมนต์ว่าลุงไทยคุณตาไทยในสวดมนต์ดังจึงดังมาก แต่ก่อนก็สมาทานถือศีลปฏิบัติเข่งคันมากเวลาขี่เนี่ไม่หันไปทางทิศตะวันออกหันไปทางทิศตะวันตกตลอดเวลาสมาทานมาจากหลวงพ่อริศวนหลวงพ่อริศวนนี่เขาท่านก็เป็นระดับอธิบดีเนาะเนาะสีวิตเกี่ยวกับรอพชเนี่ยมาสอนธรรมะธโมนี่ก็ไปสมาทานถือศีลปฏิบัติน้อถามว่าขี่ไปเลยท่าไหนก็ขี่ไปเถอะมันไป <laughs> โอ้ยมันยากนะเวลาจะลงจากบ้านเนี่ก็ต้องมีถ้าวันอังคารในปิดจะหมูกซ้ายแล้วลงบันไดให้ครบก่อนค่อยเปิดนะถ้าวันคู่นะอาทิตย์เนี่ยวันขี้นะอาทิตย์จันท์วันคู่อังคารวันขี้พฤหัสต้องปิดจมูกซ้ายก็ปิดจมูกขวาหลวงตาว่าเกิดมันสะดุดบันไดหกล้มเราไปจะทำยังไงมันจะไม่ปิดทั้งสองรูแล้ววะไม่รู้ถือมาแบบนี้เขาว่าถือวิจีตโอ้ยธรรมะขี้หมาอะไรเนาไม่รู้เนามัน นั่นนี่นี่วุ่นวายถือนั่นถือนี่นี่ธรรมะพราหมณ์นะแบบนี้หลวงตาว่าแล้วทํายังไงเน่ยหัวส่วมเขาหันไปแล้วก็ลําบ่าอยู่แค่ว่าหัวส่วมเขาหันไปทางทิศตะวันออกเนี่ยมันต้องหันเข้าไปทางทิศตะวันตกแล้วมันแคบเนี่ยนะมันติดฝามันค้นมัน่ะก็ได้หันก้นเมื่อขี้ตอนนี้ก็ค่อยกวาดลงมาทีหลังโอ้โหหลวงตาเราไม่เอาด้วยละแบบนี้ว่ะแต่เขาติดจนมันเลิกไม่ได้แล้วไงมันติดแบบนั้นมาติดมานานอะ แต่ถ้ามันหันไปท่านั้นก็ต้องดูดวงอาทิตย์เฮ้ยก็มานั่งทางข้างมันนะพ่ขี้มาทานทีทางอันยาวๆคอหานมานะปะทโธปานนั้นติว่าเขาก็ถามนะมาวัดหลวงาหลวทามีช่วมหันไปทางทิศตะวันตกมั้ยอ๋อไม่นึกว่ามันจะมาถามมาไม่นี่นะวะมีว่าสร้างไว้หลายแบบในวัดน่ะทิศตะวันออกที่ใต้หันหัวคอหานขึ้นบนอากาศก็มีวะมีหมดนะ มันก็มีนนเนาะมีละจะเยี่ยวนี่เขาก็มีอะไรนะคอมฟอร์ตนะคอมฟอร์ตนี่ซุบเข้าไปแล้วเธอก็หันไปสิแล้วแต่ไปไหนเลยเีเอาเอาให้เวลานอกคือไปสวนธรรมะมันมาเยอะนะไปพบคนมาหลายแบบธรรมะเนี่ยตั้งแต่ ผู้รู้แจ้งผู้ไม่รู้แจ้งผู้งมงายผู้อะไรมันมารอบประเทศแล้วมั้งไปมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนะแต่ค่อยๆพูดอันมา่อตอนี้ก็ได้ล้อกว่ามันตอนนั้นก็ได้เองนะมันยากลําบากแต่เขาก็ดีนะคนแก่ศถ้าเขาไม่มีทิฏฐิแล้วก็ค่อยบอกค่อยๆแนะนําเขาค่อจะเริ่มนะเริ่มปรับได้นะ บางแห่งบางที่ก็สมัยก่อนก็ดีหน่อยแต่ว่าตอนคือเขาไม่ค่อยไปจากบ้านเพราะอะไรเขาสร้างซ่วมเอาไว้แบบนั้นโดยธรรมชาติเขาคือสร้างหันในทางทิศ ท, ที่เขาว่าวนะนะแต่ถ้าออกนอกบ้านนี่มันต้องยากยุ่งยากลําบากองค์นะตาก็จะส่งให้คนเอาน้ําพึ่งมาถวายส่งไปยเาไปฝากหนะ้ากินน้ำพึ่งนะน้ําพึ่งแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เข้มแข็ ง, นะ อ, ย ง, งอย่างนี้เขา อ, อนุโมทนา เขตั้งใจนั่นคนนี้ก็จะทําบุญนะทําบุญหลว ง, งตา ก, กลับไปเขาก็อยากทําบุญให้กับตัวเองไม่รู้จะทันหรือเปล่าอาจจะมับก่อนก็ได้เน๊เพื่อไม่มับก็ได้คือเขาก็ทํากับวัดดีเนาะคนนั้นคนนี้ทําดีบางทีไปใกลๆถ้าไม่มีภาระธุระอะไรมากๆหลวงตา ก, ก็ต้องต้องกลับด่วนไปให้กําลังใจเขาเวลาตายเวลาอะไรแต่บางที ส่วนมากก็จะสนใจคนอยู่นี่มากกว่าที่จะไปสนใจคนตายคนตายก็คือตายไปคนยังไม่ตายแล้วก็ดูแลกันคนยังไม่ตายนเราเราทำได้ในหลายคนนะหลวงตาพูดไปแนวสมมตินะเวลาคนตายปุ๊บเราส่วนมากก็จะเป็นอะไรอะ่ะคนตายแล้วจะบวชจูงเห็น ไ, ไหมบวชจูงไปไหนเดวจูงไปเมนไปป่าช้านะ ไม่เรียกว่าบวชจูงหรอกนะเขาเรียกบวชลาถ้าจูงเนี่ยมันต้องคนยังเป็นอยู่ยังไม่ตายจูงไปใช่ไหยอย่างเราจูงคนตาบอดเนี่ยมันเดินไปได้ไหมได้นะแต่คนตายในจูงได้ไหมไม่ได้นะเาไม่มีประโยชน์นะบวชให้กับคนตายเนี่ยบวชหน้าศพเนี่ยคือจริงๆเนี่ยอยากบวชให้เขาเห็นนั่นแหละ พ่อแม่จริงๆถ้ามีลูกไปบวชบวชแล้วปฏิบัติทำแล้วเราปฏิบัติแล้วเรารู้แจ้งดับทุกข์ได้พ่อแม่ก็พอใจว่าเราได้เข้าสู่ศาสนาแล้วเอาธรรมะมาประดับใจแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายบางทีเราก็ให้บวชบวชนุ่งขาวกุมขาวต่อหน้าศพพ่อแม่ถามว่าได้อะไรไม่ได้อะไรนะมันไม่ได้อะไรมีแต่ความคิดมีแต่ความปะวักพระวงะนั่นแหลนี่ถ้าจะบวชนี่บวชตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่นะ ในหลายคนนะส่วนว่าไม่ได้บวชเลยจนทั้งนั่นแหละท่านตายพอดีตายแล้วก็บวชต่อหน้าศพไปบวชทำไมนะมันจะมีอะไรประโยชน์ะลรมันไม่ได้ฝึกได้ฝนบุญกุศลแท้ๆก็คือบวชนะมันต้องบวชทั้งจิตทั้งใจนะไม่ได้บวชแต่ผมผ้าเหลืองเฉยๆนะบวชทั้งจิตทั้งใจบวชให้เกิดสติเกิดปัญญาจริงๆ เขาว่าบวชเนี่ยมันจะจูงขึ้นสวรรค์ถ้าเหงือนี่เขามีนิทานด้วยซ้ำไปบวชลูกแก้วเห็นไฟแดงๆไงนะมีมีนิทานเราเหมือนชายพระเหลืองของลูกชายที่เคยบวชเโอ้ดงนั้นก็ให้ขึ้นสวรรค์ไปแสดงว่ามีลูกชายเคยบวชเนาะเทวดามันว่านะมันเคยเขานิยมบวชนิยมบวชนิยมบวชกันมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆนะ แต่ความจริงใ้บวชเนี่ยบวชเพื่ออะไรมองไปที่นั่นนะ่ะไม่ใช่ว่าจะไปห่มผ้าเหลืองปุ๊บมันจะได้บุญขึ้นมาทันทีนะคือถ้าจิตมันไม่เป็นให้มันไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้ลูกหลานเวลาไปบวชพ่อแม่เสียใจด้วยซ้าไปเพราะอะไรไปบวชแล้วมันทําไม่ดีมีรายมีปัญหาโน่นนี่พุณว่าโอ๊ยศึกดีกว่ากูได้ยินแต่เรื่องไม่ดีตั้งแต่มึงไปบวชเนี่ยเนี่ยอยากให้สึกด้วยซ้าไปนะเพราะอะไรเพราะว่าบวชเนี่ยมันจะต้องไปรักษาศีลเจริญภาวนา แต่ก่อนในคนได้บวชดีๆเนี่ยศึกออกมาเป็นหนานเป็นทิศนะทิศมันก็จากคําว่าบัณฑิตนะบัณฑิตเราเรียกง่ายๆว่าทิศบัณฑิตบัณฑิตปัญจิตาเสวนาปัญจิตานันเจสีวนพูชาคือเป็นบวชเป็นบัณฑิตแล้วได้เป็นบัณฑิตโอ้มีความบัณฑิตคือผู้ที่ไม่ไหลไปกับอารมณ์โลภโกรธหลงผู้รู้เท่าทันร่มโลภโกรธหลงนั่นแหละพอศึกออกมาปุ๊บก็ได้เมียได้ครอบได้ตัวดีได้ผัวที่บวชดีๆมากนะยัดโยมนะ นะถ้าเป็นผู้หญิงนะได้คนที่บวชโอ้ยดีมากดีมากคนระะท่านผ่านการฝึกการฝกกนฝมาแล้วนะบางคนก็โห้ยต่างเตีซื้ อ, อกองมาเนี่แต่งงานก็มาแล้วบ่ชทำงานอย่างยันแต่บาปก็บาปนะไม่ได้ทากินได้เวลาก็ไม่ทำอะไรเลยเลยประมาณนั้นนะจะยิงไม่ใช่นะคือรู้จักดีรู้จักชั่วอะไรควรไม่ควรนั้น เขาถึงมีประเพณีว่าก่อนแต่งงานเกณฑ์ทหารแล้วก็เอาไปบวชบวชอะไรเพื่อฝึกจิตแต่ส่วนมากเราบวชแล้วก็บวชอยู่ใกล้ๆบ้านเพราะอะไรพ่อแม่จะได้ไปทําบุญด้วยแต่ไปเห็นหน้าเห็นตาก็ไปเล่าให้ฟังโอ้ยน้องชายเมื่อวานนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้น้องสาวมีปัญหาไปเรียนนั่นสวั น, ว, นวันหนึ่งไม่มีสมาธิเลยมีแต่คิดกับลูกกับหลานกับน้องชายกับน้องสาวอะไรประมาณเนี้ยกับพ่อกับแม่โอ้ยพ่อก็ป่วยนะเมื่อวานนี่อยู่นั่นแหละ หรืบางทีก็อยู่ใกล้ๆกันแม่ลาบซกเล็กมาให้หน่อยนะพวงนี้นะฮิวว่าเนี่ยเห็นไหมมีจจะสั่งกินสั่งอยู่นั้นเขาให้หนีจากบ้านไปบวชไกลๆไปปวดไปฝึกหัดไกลๆเนี่บวดรักบวดรองบวครองประเพณีบวดหนีสงสารบวดผานเข้าสุขบวดสนุกตามเพื่อนบวดเพื่อนศาสนาบวดหาของเล่นบวดให้เห็นพระนิพพานโบราณกันนะแล้วบวดประเภทไหนอ่ะ บวชเพื่อห า, น, านิ r v านแสวงห า, น, านิ r v านเพราะเรามู่งว่าคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครเข้าถึงมรรคผลนะถือว่าสุดยอดปุญยาเขตต่างโล ก, กัสะส่น่ยอย่างตือโป้ยไก่เนี่ยเขามีคาดคาดเขามี8ดมีเก้าสีคาดเนี่ยสักนั่นสักนี่ในความหมายก็คือคนนี่แม้จะมันเป็นหมูก็ตามมีศรัทธาก็ตา ม, มปัญญามันยังไม่เกิดแต่จิตมันตรงต่อสังขภาวะเก้าสังขคุณเก้า สุพติปโนยุสุพติปโน ย, ายาน์ย่าพติปโนสามิยิโนอัญจริกะเละยิวอนุทรลังปุญญาเกตังโลก ส, สาติเนสังกะคุนก้าที่เราบอกว่าไปนิมนต์พระสงฆ์ก้ารูปนะคือก้าสภาวะอันนี้มีอยู่ในจิตของคนคนนึงที่ปฏิบัติธรรมแล้วมันถือว่าเป็นผู้บรรลุธรรมผู้รู้ธรรมผู้ยังลงสู่อมตะธรรมเนี่ยไปนิมนต์ก้าวองเด์ก้าวก้าองค์คือองค์ธรรมเนี่ยไม่ใช่ก้ารูปนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปแต่คุณธรรมที่อยู่ข้างในเขาเรียกว่าก้าวองมันเป็นองค์ ลงลงแล้วลงมาในจิตในใจแล้วก็เห็นนะนั่นะนะนั้นตือป้วยไก่เนี่ยเขามีอ้ น, นี่มีคาดเหล็กเนี่ยคาดเล็กถ้าเขาได้สับใครแล้วเนี่ยมันจะเกิดการปล่อยวางเกิดความคืนสู่สภาพเดิมทันทีคือหมายความว่าถ้ามีสังกัคุณคุณธรรมของสงฆ์เนี่ยปรากฏในจิตผู้ใดผู้นั้นก็จะเข้าใจชีวิตขึ้นมาเอ้นะเม่คนซัวเจ๋งมันจะมีสามงามสามงามคือไตลักนั่นเอง ใตรักอันนี้จังทุกข์ของนาตาเสียบเข้าไปในใครเนี่ยก็เกิดการคืนล่างขึ้นมาคืนสู่สภาวะเดิมคือความเข้าใจว่โอโ้ฉันปิดไปแล้วคือเหมือนมันปล่อยวางได้เหมือนเดิมทีนี้ไอ้ตะบองเฮ่งเกียร์ล่ะเอาจะพูดไปมัิจะไกลไปเนะาะก็เหมือนสากระเบือบ้านเรานั่นแหละอย่านะพักเหนื่อยซะก่อนจิตชีวิตนะก็มีประมาณเนี่ย แต่ทํำยังไงเราจึงจะได้บวชจะได้มีคุณธรรมอันนี้ประจําใจนะเราจะไม่ได้เป็นแค่ ว, ว่าสงมี2ประเภทอย่ที่ว่านะสงประเภทหนึ่งก็คือสมมุติสงสมมุติสงก็คือเข้าไปในบวชในโบสถ์ในอุโบสถนะสุนาตุมเมพันเตสังโงสองทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้านะนะปุริโสิอนันโนินาซิลาเจปโตอนุญาโตซิพ่อแม่อนุญาตหรือยังมาบวชเนี่เป็นคนจริงไหมนะ เป็นประเทืองไหมเนี่ยไม่ทำแล้วอย่างนั้นปุริโซสิเป็นเป็นคนเป็นผู้ชายแท้เหรอเปผู้ชายแท้ห่ ะ, ะอุปชาก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่อามะพันเตเนี่ยนะปัจจุบันนี้โอ้ยยากนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้คนอายุเกิน60ปีบวชด้วยซ้ำไปเป็นผู้ชายแท้เหรือศรัทธามั่นจริงเหรอ นะกีลาโซเป็นอุจจารกากไหมนะรู้จากอุจรกากไหมอ้าวก็ขี้กลากเลยเนี่ยนะพอพูดเพราะหน่อยก็ไม่รู้จักเนาะอุจจาระกากนะมันเป็นกลากขี้เห็ดขี้กากเนี่นะกีลาโซเป็นขี้กากไหมไปดีเห็นเขาไม่ให้บวชทนะั้งคนเป็นขี้เห็ขี้กากเนี่ย ไม่ได้นะพ่อสร้างจังหวะไปมามันก็ไม่มีสมาธิแหละใช่ไหมท่านเขาก็ให้ไปรักษาซะก่อนค่อยมาบวชแต่มารับเลยนี่เขาไม่เอานะท่านพระท่านจะเปิดดูมีการตรวจเช็คนะก่อนบวชนะอา้าวกล้าแพ้นะเขาสั่งให้แก้ผ้า <c oughs> พระออกตรวจดูดิมีอุจจาระกากไหมมีอุจจระหิตไหมถ้ามันมีหิตมีกากมันมาเผยแพ่ด้วยกันเลยวัดไี้ว่าตายพอดีนะเจ้าวาดกูยัดถอวริวาปุราภิริภิเรนติสาขลังโอ้ยมันก็กะไรอยู่เนาะมันจะเอาสมาธิมาจากไหนคันก็รู้ว่ากันไม่ได้แล้วมันปรงไว้แคขันบอกว่าเป็นกากก็ไม่ได้เป็นผู้ชายไม่แท้ก็ไม่ได้ แต่ปัจจุบันนี้มันมันไปหมดแล้วนะเป็นโรคแม้กระทั่งโรคเอดก็มาบวชใช่ไหมมีไหม ม, มีนะข่าคนก็มีเป็นมหมาโจรมีชื่อเสียงก็มาบวชนะมากมายหลากหลายสร้างความเสื่อมเสียเท่านี้เพราะเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาห้ามถาม <laughs> เอาจะถามว่าไงเอา <laughs> ทางนครสวรรค์นะ อืมไว้มันก็เจ็บเนาะ <c oughs> พอมันตกลงมาแข้งาขาขาเขาจะบวชได้ยังไงอย่างนั้นก็มีนะนะะก่อนที่จะบวชนะั่นต้องไปซ้อมชกมวยไว้สะกก่อนเพราะถ้าขึ้นแค่ขึ้นแค่แล้วประชาชนเขาโยนนะ่ะจับโยนแค่ก็ตกลงมาก็จับนั่นจับนี่ต้องจับไว้ดีๆถ้ามันก็ตกไอ้นั่นก็ยังเอาไปบวชอยู่มันต า, าโม้มันไปสู้รบหรือมันไปบวชก็ไม่รู้นะมันมันก็ก็เคยเห็นนะ ก็เคยเห็นเคยได้ข่าวด้วยอะไรอยู่มันไม่มันอ น, นันมันไม่มีหรอกในพระทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหงานากมันไม่มีพระพุทธเจ้าเ น, นี่ยขโมยห น, นีออกบวชใช่ไหมขโมยหนีออกบวชเนี่ยต่างคนต่างนี้ออกบวชเลแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้หนีออกบวชเวลาจะออกบวชก็แหงาันไปบวชเอาอกเข้าใจคล้องสร้อยคอเต็ไมไปหมดเลยเอาไปใส่ทําไม ทำทีเป็นคนรวยก่อนบวชนะ่ะห่อเงินอนลาบาตละบาทเพื่อจะมาโปรยทานทําทีเป็นรที่จริงเพระเนี่ยอะไรละ่ะจะทําบุญทําทานก่อนบวชจะปล่อยวางแล้วนะที่ไหนได้ยืมสหกรณ์เข้ามาเป็นนี้อีกต่างหากไม่ต้องไม่ต้องโปรยทานไม่ต้องใส่สร้อยคอไม่ต้องมีนะฮะเมื่อเหมือนทําเหมือนพระพุทธเจ้าพอจ้าบวชก็ถอนออกเอาพระชั้นนะเอาคืนไปนะเนี่ย อันที่ใส่ห้อยคอนันก็ยืมเขามานันอนจะไปใส่อะไรเลยหลวงตาบวชนะั้มีเงินอยู่รู้สึกว่าเก้าร้อยเนฉะยๆเลยแปดร800หรือเก้าร้อยไปขอบวชกับเขาชีวิตเนี่ยคือไปเรียนหนังสือต่างจังหวัดเนาะเป็นเน้นเป็นอะไรน่นนี่พอถึงจังหวัดนั้นก็กลับไปเห็นเขากำลังบวชพอดีเลยเขากำลังบวชหน้าไปขอบวชกับเขา พ่อเขาเป็นคนยากจนพ่อเขาไม่ค่อยรู้หรอกเมื่อลงตาจะบวชไม่ได้บอกเขาเห็นเขากําลังบวชอยู่ก็เลยไปขอเขาไปซื้อผ้าไต่มาให้หน่อยว่ะแล้วจะบวชซื้อบาทไปมีอยู่เก้าร้อยนี่แหละในเก้าร้อยนี่เป็นเงินเหรียญด้วยซ้าไปก็มีแบงก์บ้างยี่สบโบราณแผ่นใหญ่ๆด้วยนะก็บวชบวชแวมัก็เป็นพระ ไอ้คนอื่นมีเจ้าภาพโมดคนนั้นมีเจ้าภาพคนนี้มีเจ้าภาพบวชบวดได้ห้าวันสามวันเขาศึกหมดแล้วหลวงตา บ, บวชเองในเงินเก้าร้อยปานนี้ยังไม่ศึกอยู่เนี่ยหนู ด, ดิมันไม่เกี่ยวกับเห่หรือไม่เห่เลยโยมพ่อรู้จากว่าโอ้ยเรวจะบวชท่านเกามางานมางานโดยเป็นแขกไม่ได้เชิญพระภิกษุเขาไม่รู้ว่าหลวงตาจะบวชไงเพราะไม่อยากไปลบเงินลบกวนเงินแก Hey, เรื่องบวชเรื่องแค่สมมุติเฉยๆวเวย้ mm hmm. วเวยก็ mm hmm. ให้พระอุปราชสมมุตินะนะก็คงมีคนอยากเอาลวงตาบวชอยู่หรอกแต่ว่าดวงตาไปแบบกระทันหันคิดเดแบบกระทันหันคิดอยากจะบวชก็บวชตอนนั้นเลยอ่ะนะแล้ว mm hmm. บวชมากก็อยู่จนป่านนี้ก็ อ, อยู่ได้ไม่ได้ทําพิธีอะไรเลยนะไม่ได้เฮไม่ได้ขี่คอใคร mm hmm. เดินเข้า mm hmm. บูโบสถก็เดิน mm hmm. ธรรมดานี่ยแหละ คนนั้นว่าจะมาหาหมดเว้ยมาหา ม, าาหหามตกลงมาไม่ได้บวชนั่นนี่ว่า ม, มาหามทําไมเนาะเขามีงานนะเราก็ไปบวชกับงานเขาไม่มีอะไรสี่รูปแบประมาณนั้นแหละงั้นถ้าเราไม่ได้บวชพระแล้วก็บวชกายบวชใจแบบนี้ยเขาเรียกว่าเนคขมมะจารี นี่มันไม่มีไม่มีกัรเกียงน้อย <laughs> ต้องระมัดระวังจะผิดศีลคืออะไรที่โยมมีเนี่ย พะเขาไม่ให้มีให้เป็นธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเราปฏิบัติทำอันนี้เราเป็นสมมุตินะพอสมมุติเข้ามาปุ๊บกรูปร่างหนาา้าตาสวมมันนีุ่บโดยสมมุติแล้วโซภาไสะยสุดท้ายนะสวนยัติเขาเรียกว่าส่วนยติยติตั้งยติกมาคนนี้มีปัญหาอันนี้ไหมไม่มีผิดข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3มีพระสองอ ง, งค์เอามาสอบถามเห็นไหมที่ยืนอยู่นะเขาถามนะ วิราโศโศโศอปมาโรมนุษโศสิผูจิโศสินั่นิลาคุพโตอนุญาโตสิมาตาปิตุหินี่ยมาด้วิราชถามถามไปหมดแล้วเขาบอกหันมาสุนาตุเมีพันเตสังฆ์ข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าได้สอบถามแล้วคนนี้บริสุทธิ์จริงสมควรเอาเข้ามาในหมู่ตอไปนี้พระสงฆ์ก็ซาธุเชิญสาธุเนะ่ยก็เอาเข้ามาในหลวง ก, ก็นั่งรวมกัน ลุมถามใหม่ทีนี้ถามให้กันฟังอีกถามถามตามๆก็สอบถามก็เสร็จปุ๊บ ก, ก็อ้าวเ ข, ขาก็บอกเป็นพระสงฆ์แล้วนะต่อไปนี้เธอต้องมีกิจวัตรหนะ้าหนึ่งเที่ยบินธบาตรเทนวัดฉันอาหารในบาทนะปฏิบัติอะไรนะนิสัยสีก้อนนี้กีบสีปัจจัยเครื่องอาศัยของเที่ยวที่ว่าบินธบาตรนุงนุ่งผมบ้าบางังนุงผมผ้าบางสุกุลหนึ่งอยู่คนไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยนะโมดเน่าหนึ่ง ฉันนาปัสสาวะไม่บวชมาในตงกาณ์นะฉันยาดองด้วยน้ําปัสสาวะสมอมะขามป้อมเนี่ยเขาให้ดองด้วยน้ําปัสสาวะเป็นยาพราะพระพุทธเจ้าคนพบมาตั้งสองพันรอยกว่า 2, ปีมานอนเดี๋ยวนี้เขาก็เหื่อกินน้ําปัสสาวะเดี๋ยวนี้รักษาโรคนั้นรักษาโรคนี้แต่พระพุทยาสอนมานานแล้วอ้าอามะพันเตอามะพันเตอามะพันเตรับมดแล้วก็ไปอยู่กับอาจารย์นี่นะอาจารย์นี่เป็นคนดูแลนะ ท่านต่างหลยเป็นคนนี้เป็นอุปชาถ้าอุปชาไม่อยู่ขอให้อาจารย์ทั้งสองอาจารย์ไปสองพระพี่เลี้ยงที่ดูแลเนี่ช่วยกันดูแลคนนี้ให้เขาได้มักได้ผลนะนิพานัาสสะสจิกรณทายกรรมมัทานั่งใจฮินะขอให้การบวชครั้งนี้มุ่งตรงไปสู่พระนิพานการทําให้พระนิพานให้แจ้งอาวะพันเตะก็รับแหละก็บวชแต่เนี่ยแต่บวชมาแล้วไม่รู้ไปทางไหนนะสวดชันสวดชั้นระมานั้นมันก็ไม่ได้เป็นได้แต่สมมุติ อันนี้เขาจะเป็นพระอริยะสงฆ์ก็คือมาฝึกจิตฝึกจิตทําสมาธิอย่างพระบริจาเพราะการบวชครั้งนี้เพื่อจะสมาทานคำสอนาขาอยากเข้ามาปฏิบัติธรรมท่านก็จะบอกว่าเกสาโลมาณะขาทันตาตโจตะโจทันตาณะขาโลมาเกศาเกศาแปลว่าผมโลมาแปลว่าณะขาแปลว่าทันตาแปลว่าฟัน เกสารโลมานะขาธันตาตะโจแปลว่าหนังผมขนเล็บฟันหนังเขาเรียกว่าตจะปัญจกะกรมมฐานกรรมฐานห้าคือให้ยกขึ้นสู่การพิจารณาและลึกรู้อยู่เสมอว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่ชีรังยังยืนความสวยความงามเกิดเพราะเรามีความสำคัญมั่นหมายในห้าอันนี้ในผมขนเล็บฟันหนังนี้ก็มาเฝ้าดูมนันเกษาโลมานะขา มันมีอะไรเนี่ยส่วนมากคนที่งามที่สวยปัจจุบันนี้ก็คือเราเติมมานี่แหละเติมผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยท่านก็ให้พระใหม่ในประคำมีลูกประคำมานับเจษารูงานะขาทั้งตาตะโจนี่นับปรื่อยๆให้จิตมันอยู่กันนี้ให้มันดูดูผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยแต่ไม่มีอาจารย์เฝ้าดูแลเขาเรียกว่าเข่ากัมไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลแล้วจิตมันเกิดปัญญาไหมมันก็ไม่เกิดนะมันคิดไปหน่อยเดี๋ยวนี้ยิ่งบวชแล้วก็มีมือถือใช่ไหม โทรไปหาผู้สาวเก่าบ้างโทรไปหาคนนั้นคนนี้บ้างไปตามเรื่องมันจะเกิดสมาธิไม่เกิดกรรมฐานมันมันไม่มเกิดยิ่งบ้านอยู่ใกล้ด้วยยากหนังสือพิมพ์บ้างโยมพ่ออย่าลืมเอาโทรทัศน์ลงมาบ้างนะอยากดูข่าวแหมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่มันอาศัยยากลํบาบากเพราะอะไรเพราะจิตมันติดอยู่กับบ น, นี้แต่พอมาปฏิบัติธรรมเอาแหละมันคิดถึงนะ่ยมันกระวนกระวาย เพออราะเราว่าเราไปทํากรรมแบบนั้นมาก่อนมันก็เป็นอริยะไม่ได้นั่นก็ฝึกอฝึกมองภายในทุกวนันเกษาผมพลุ่ไม่ชี้องค์หนึ่งเนละยในวัดท่านว่าแต่ก่อนก่อนมาอยู่ลอนตาท่านเพ่งที่เกษาดูแต่ผมผมพิจารุาดูแต่เส้นผมเลยดูแต่ผมเลยผมมันเหม่นมันเน่าอะไรดูเรื่อย ๆ, ๆดูตลอดเลยดูจนกระทั่งว่า เกิดมันเห็นร่างกายตัวเองเป็นกระดูกเป็นโครงเป็นอะไรขึ้นมานะเกิดความว่างความโล่งขึ้นมามดูผมตลอดนะเกส า, า, า, า, า, า, า, าเกสาเกสาเกสาเกสาเกษาดูตลอดไม่ได้กังแต่ทําหลายปีประมาณห้าหกปีแล้วนะเข า, าทากรรมฐานมาเรื่อยๆเนี่ยมันจึงมันจึงเริ่มดีขึ้นใจก็เริ่มดีเริ่มอะไรขึ้นมาัดูผมขนเล็บฟันหนังมีพระตระองค์หนึ่งนะ ท่านทำกรรมฐานานั้นฝึกกรรมฐานแล้วท่านไม่เกิดปัญญาท่านไปบินตบาตนิ บ, นบาศเขาเลยว่าให้ท่านเพราะว่าท่านเป็นพระเตี้ยงผ่าแพะนะคนหนึ่งมันไปเที่ยวมาขี่รถม้ามากับผู้หญิงโสมปีีเป็นระดับเศรษฐีนะขี่มาตอนเช้าไปเที่ยวมาก็เที่ยวพลมาท่านกําลังออกบินตบาดเขาถามว่าพระคุณเจ้าบินตบาดนั้นได้เยอะไหมวันนี้นะ่ะ ถามพระเนี่ยนะน่าถามไหมโยมอย่าได้มาถามเป็นอันขาดนะได้ไม่ได้ก็เรื่องของพระนะพระทํานกระเฉยอยู่อ้าวไม่ตอบไม่ตอบเหร อ, อทำไมถึงมาบวชแหละหลวงพี่ค <c oughs> <c oughs> งพ่อที่แหกแกะเนาะเลยไม่มีผู้สาวดูอย่างผมดีเนี่ย ซ้ายก็มีคนหนึ่งขวาก็มีคนหนึ่งหลวงพี่ไม่สะออนเลยไม่อัศจรรย์เลยไม่ทึ่งเลยเนี่ยอย่างว่าละคนเราวาสนามันไม่เหมือนกันนะหลวงพี่เนาะหลวงพี่มันเตีย้ยแคะเนี่ยว่าให้ท่านอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาท่านก็บินจะบาดไปเรื่อยๆปล่อยวางเด้อปล่อยวางเด้อผู้เยาบาดก็แทงหน้ามันจะบ่หนะปล่อยวางปล่อยวางท่านก็ไปเรื่อยๆ เกษาโลมาเกษาโลมาเกษาโลมาไปเรื่อยๆน่ยหมอนีบชาแนกขอให้สูงกว่านี้นะแล้วจะมีผู้หญิงเงินผมเนี่ยซ้ายขวาในหลวงพี่ก็ว่าไปเลผู้หญิงพอนั่งหัวล้อสนุกสนานเฮียฮะสมัยนั้นมันยังไม่มีเข็มขัดลัดฟันเหมือนสมัยนี้พระท่านก็มองมองก็เห็นฟัน ม, นะมันนะว่าหัวล้วยอย่อท่านเป็นฟันเป็นจี้นะ แต่ก่อนท่านจะว่าสาโลมานะคะท่านก็เลยเอาแค่นั้นทันตาทันตาทันตาทันตาทันตาทันตาเดินก็หลดรูปไปท่านไม่เห็นอะไรเลยหวดตัวเหมือนกลายเป็นว่าท่านเห็นแต่ฟันมันขยับไปขยับมาที่มันพูดและมันหัวเราะท่านเนี่ยเห็นแต่ฟันมันขยับไปขยับมาจิตท่านก็เริ่มนิ่งลงสู่สมาธิเดินไปเดินไปวันหนึ่งกําลังไปไปถึงโยมคนหนึ่งโยมคนหนึ่งกําลังนั่งเตรียมตัวจะใส่บาตรเดี๋ยวท่านกมองไปที่โยม เห็นขึ้นโยมคนตั้งใจที่จะใส่บาตรท่านมองมาเห็นโยมเกิดโ ย, ยมยิม้มเนาะพระคุณเจ้าเลยท่านก็เห็นฟันโอ้ท่านตาท่านตาฟันหนฟันหนฟันหนนะอยู่ๆก็สว่างแจ้งบรรลุอนาคา ม, มีตอนนั้นนะไม่ได้เป็นโสดามันไม่ได้เป็นอะไรมา ก, ก่อนนะแต่อยู่ๆก็สว่างแจ้งเป็นพระอนาคา ม, มีเลยนะ คือท่านเห็นฟันมันท่านเองอนะ่ะแต่ท่านใช้เป็นประโยชน์ต่อกรรมฐานท่านระลึกรู้เพราะอาศัยท่านการทําสมาธิมานานพระสุขวนะัลเนี่อยู่ๆก็ตื่นโพงตอนนี้ท่านการปฏิบัติทำเนี่ยมันจะเป็นอากาลิโกแล้วแต่มันจะบรรลุสภาวะไหนแต่ให้เราอยู่กับปัจจุบันนั่นแน่จะเป็นมุ่งจิตกับอารมณ์อะไรที่เข้ามาพยายามร ะ, ะม ล, ลึกรูนะ้แล้วท่านก็รับบิณฑบาตแล้วยอมว่ oo, พอพระคุณเจ้าทําไมหน้าตาท่านผ่องใส ย, ยังหลัก โยมได้เห็นทันทีนะรัศมีท่านเปล่งปลังขึ้นมาทันทีตอนรับโอ้ท่านปองใสานอจอยแล้วนี่นแล้วท่านก็ให้พรไปให้พรเขาว่าผู้มีศีลออกจากสมาบัติบรรลุธรรมทีแรกให้พรกับบุคคลผู้ให้ทานเนี่ยปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นคนที่ทําเนี่ยสาธุขอให้เขาไปเจ้าได้นั่นนะท่านก็ให้พรไปพอให้พรปุ๊บ โยมนี่พอกลับไปบ้านสมปรารถนาเลยที่เขาอยากได้แล้วนะแต่ก็ไม่เล่าให้ฟังหรอกว่าสมปรารถนาแต่เน้นว่าท่านบรรลุธรรมตรงที่เนี้แค่อยู่กับทันตาทันตาทันตาเนี่ยระลึกรู้เห็นฟันตาจักรกมฐานเนี่ยแต่เดีนี้เราเราระลึกึถึงอันนี้ไหมเราบินธบาทเนี่ยแม้แต่จิตจะอยู่กับตีนมันก็ยังไม่อยู่เลยเดินไปเนี่ยเดินไปเดินไประลึกรู้ไปเนี่ย หนะลวงปู่ที่วัดมีองค์หนึ่งชื่อว่าสังตนะอนเช้าท่านก็จะง่วงไปบินทบาทเดินบินทบาทใน ด, ด้วยสามัญสํานึกเนี่ยท่านจะรับรู้โดยเซนมีคนเดินไปเจนท่านก็หลับตาเดินไปมันง่งวงเพราะท่านหลับไปเลยเดินบินทบาทเนี่ยเดินไปแต่ท่านฟังเสียงเองอเดินเสียงเท้ามันชิชิชิชิชทานกไปตามไปไรเรื่อ ข, ข้ามถนนไปถนนท่านยังไม่รู้นะเพราะหลับตาเดินไปยังเดินไปเรื่อยๆนะเพือมันหลับเนีมันไม่รู้สึกทีเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะให้มันรู้สึกอันเนี้ยลืมตาและลึกรู้ไปเอาเดินไปเดินไปและลึกรู้ไปเรื่อๆกลับมาวัดกลับทำความเพียรและลึกรู้ยู่ๆมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแบบพระอันเนี้ยนะหลุดพวกลงไปแบบเนี้ย แต่ว่ขอให้มันอยู่กับเราจริงๆใจเนี่ยคืออย่างที่เขาเรียกว่าสามัญญผลเนี่ยจะเกิดผลเสมอการมดใครก็ตามอ่ะขอแต่ฝึกจริงๆคนน้อยก็ บ, บรลุคนมากก็ บ, บรลุขนาดท่านท่านไปเบญจบ่ญญ า, บาเนี่ยไอ้สามคนเนี่ยผัวเมียเนี่ยที่มันเล่นอะไรกันมาก็ไม่รู้นี่ในรถม้านี่มันหัวเลาะย่อท่านยังถากถางท่านท่านยังบรรลุเลยเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องเข่าดงเข่าป่าในีฮให้วุ่นวายไม่ต้องอันา น, านั้นอันนี้เพียงแต่ว่าอยู่กับปัจจุบันแบบเนี้แล้วก็มองและถอนความพอใจไม่พอใจเรื่อยๆต่อปรากฏการณ์ที่พบที่เห็นเนี่ยปัญญามันก็เกิดขึ้นได้ไม่ไมยากเท่าไหร่อแต่บางคนมันถ้าเราทั่วๆไปถ้าสติมันไม่พรอเกินได้แต่ทาใจให้ยอย่าไปสนใจเขาอย่าไปสนใจเลยก็ปล่อยวางแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่เกิดการบรรลุธรรมเนี่ยปัญหามัน คือการบรรลุธรรมเนี่ยมันจะไม่มันไม่คืนมาเป็นอีกสิ่งที่บรรลุเนี่ยมันจะไม่กลับมาเป็นอีกหลายหลายคนเวลาได้อารมณ์ปุ๊บหลายคนพอได้อารมณ์แล้วหายไปเลยนะคือจิตที่เขาเขาาได้อารมณ์ทําลายโทสะมันก็หายไปเลยนะแต่บางคนได้อารมณ์เฉยๆต่ก็ยังโทสะโลภะโมหะ ก, ก็ยังเต็มอยู่เหมือนเดิมนะแต่ตอนนั้นน่ะดีโอ้ยรู้สึกว่าจะไม่มีทุกข์เลยเหมือบรรลุธรรมเนี่ยแต่พอหลังจากนั้นก็คืนเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าสภาวะจิต ฐานมันเนี่ยที่เราเราียนรู้มันต่างกันนะยิ่งบางคนฝึกการปล่อยวางเยอะๆมาไว้ก่อนเนี่ยพอมันเป็นเนี่ยมันจะหลุดออกไปหมดเลยแต่ถ้าคนที่ถีมานะเยอะเอาได้ปีติได้ปีติอีกๆเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมเพราะใจเขาไม่เปิดมันจึงไม่มีโอกาสที่จะรู้แจ้งนะมันไม่ใช่ว่า อ, อยู่ๆแล้วทําไปเรืๆๆ่อยๆมันก็จะเป็นมันยากอยนะู่นะคือจิตมันต้องเปิดเปิดจิตเปิดใจเปิดความรับรู้เปิดความเข้าใจพยายามและเลรื่รู้ตัวแล้วมาเห็นว่าเราเป็นอะไรจิตเรามันมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยเราต้องเอาอันนี้ออกให้ได้เราต้องเอาอันนี้ออกให้ได้ใจเราเนี่ยอย่างเรามีโทสะแล้วโทสะเราต้องให้มันไม่ให้มันเป็นอะไรเอิอ่มรบกวนเราอยู่เรื่อยๆนะหลวงพ่อเทียนว่าถ้าไม่ไม่เอาอันนี้ออกไปได้ฉันจะไม่กลับบ้านให้เห็นได้ไปตายดับหน้าไปเนี่ย เราก็เอาอันนี้ออกไปเแล้วต้องเห็นมันนะอันเนี้ปฏิบัติทําคือให้เห็นอารมณ์ตัวเองพอเห็นอารมณ์ตัวเองเขาสติจี้มันอยู่ตลอดมันไปทางไหนในจี้มันอยู่ตลอดเออตัวเองติดอารมณ์นี่นะมึงเดนอดูไปเรื่อยๆจุดที่พอมันพอที่มันจะวุบทันทีเลยมันจะจำแจ้งของมันขึ้นมาของมันเองอตอนนั้นก็เอาเขาเรียกว่าผลจากความเป็นผู้ทุชนแล้วมันเขาเรียกว่าเวลามันเกิดสภาแลเขาเรียกว่าโคตรภูญาน โคจรพูยานความรู้แจ้งที่ทําให้ข้ามข้นโคตของความเป็นผูุ้ชนความเป็นผูุ้ชนเนี่ยความเป็นผูุ้ชนคนหนามีราคะโทสะโมหะอย่างพระนาคามีเนี่ยหมายถึงผู้ดับซึ่งอารมณ์ราคะกรารมาราคะนี่มันหายไปตอนเป็นาาแต่พระโสดาบันพระสีธาคาร์พราก็จะมีอารมณ์อยู่บางแต่เป็นกรารมาสังวร แต่ถ้าเป็นพระหลานล่ะไม่มีนะมันเสมอมันลากมันเรียบนั้นจิตเราที่มาฝึกมาฝนมาปฏิบัติธรรมนี้แล้วก็เช็คตัวว่าเออตัวนี้ยังมีอยู่นะอันนี้มันสั้นนะอันนี้มันยาวนะอันนี้มันต่อเนื่องนะอันนี้ไม่ว่าแต่วัดแต่ในนี้หรอกเวลาเรากลับไปวาดก็วัดดูว่ามันเกิดขึ้นน้อยมากแค่ไหนโอ้ตัวนี้อารมณ์ตัวนี้เยอะนะโดยเฉพาะเขาเป็นคราวัสญาณโยมเนี่ยอารมณ์ที่ควรจะแก้ไขมากๆคือตัวโทสะเนี่ย ซือว่ามันตื้นที่สุดอันนี้เห็นง่ายที่สุดแล้วก็แก้ง่ายกว่าเรื่องอื่นนะถ้ามันไม่ออกหมดเลยก็ให้มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงและให้รู้เท่าทันไวๆให้ทันไวๆที่สําคัญคือสติก็ต้องอยู่กับปัจจุบันตัวเองไว้ให้มันเห็นพอมันเกิดขึ้นมาก็จะรู้ทันมันรู้เท่าทันมันเรื่อยๆความเป็นอริยบุคคลก็จะเกิดกับญาติโยมนะถ้าพระสงฆ์รู้แจ้งก็เป็นอริยสง์ ถ้าโยมรู้แจ้งก็เป็นอริยบุคคลอริยบุคคลคือมันไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์เพราะอารมณ์ตัวเองแล้วเริ่มปล่อยเริ่มวางแนละ้วกระทบกระทั่งเราไปอยู่ในสังคมเกิดปัญหาอะไรแล้วก็ปล่อยวางไดนะ้ไม่ใช่ว่าเรารู้แจ้งเราจะมาบวชนะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้เรื่องของเรานะ่ะแล้วยังอยู่ในโลกก็ ไ, ได้นะพระละหัน์หลายวงโยมที่เป็นพระละหันคือที่สุดทุกข์เขาก็เป็นคารวะญาติโยมนะ่นะหละหลายคนนะไปฟังธรรมะอย่าง จิตตะกุ้งหะบดีเนี่ยพระบรรลุธรรมพระอรหันนี้ยังไปถามธรรมะเกณฑ์นะขาอาจควรทำบางอย่างเนี่ยต้องไปถามเขาความเข้าใจแก่อธิบายอะไรได้พิสดารมากลองจากภาษารีบุตรนั้นเก่งมากคนเนี้ยนั้นเราจะเป็นญาติเป็นโยมเป็นฆราวาสเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ฝึกฝนไว้ถ้าเกิดมาเนี่ย แล้ เ, เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งจุดมุ่งหมายของเราต้นไม้เนี่ยมันออกดอกมนุษย์ต้องบรรลุธรรมถึงที่สุดทุกนะไอสิ่งที่เรามีเราเป็นปัจจุบันนี้ก็คือเรามาเล่นอะไรก็ไม่รู้อเ น, นี้ยเรามาเล่นตามสมมุติไปเล่นบทบาทดัง น, นั้นโลกนี้คือเราคอโลงใหญ่แล้วแต่ใครจะสมมุติบทบาทกันไปตามเรื่องแต่พอเข้ากลับมาบ้านก็สวมทิ้งออกไปไอสมมตินะว่อยู่ปัจจุบัน ก็ไม่มีอะไรพอตื่นมาแปลงฟันก็จะสมมุติออกไปเนี่ยไปเป็นอันนี้ร่างกายนะแต่จิตใจก็เหมือนกันพอเรากลับมาก็อยู่กับปกติอยู่เฉยๆแต่พอมันติดราคะโทสะโมหะก็สมมุติไปตามอาการเราก็ไหลไปตามราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นว่ากูเป็นผัวนะเป็นเมียนะเป็นคนนั่นคนนี้นะกูเป็นเจ้านายนะกูมีอํานาจนะเนี่ยมันเล่นไปตามสมมติทีนี้มันไม่สมมุติใครนะอารมณ์มาเนี่ยมันติดแล้วมันทาให้เป็นทุกข์นะ แต่ถ้าเราดับได้มันก็หายไปเลยไม่เหมือนทางโลกนะทางโลกมันมันเป็นแบบนั้นสมมุติวันนี้พรุ่งนี้ก็สมมุติอีกแต่จิตถึงที่สุดทุกเรามันก็ไม่ต้องสมมุติอะไรมันไม่สมมติแล้วเขาเรียกว่าเวลาปฏิบัติทํารู้รูปนามแล้วต่อไปถ้าฝึกมากๆเขารู้แจ้งกันหน้าแล้วมันก็จะรู้แจ้งเรื่องสมมุติสิ่งที่เราถูกสมมุติขึ้นมามันจะสลายออกไปในใจอะไรเกิดขึ้นมันเข้าใจมันแจ่มแจ้งจิตมันไม่รับไม่รับการสมมุติเนี่ย แต่มันดูแล้วมันอยู่กับสมมุติได้แต่วันมันจะไม่ทุกข์เพราะสมมุติอันนีม้มันไม่เป็นสมมติแต่จิตมันจะอยู่กับสัจจะสั จ, จธรรมขอเรียกว่าจิตอยู่กับสั จ, จธรรมสั จ, จสภาวะความจริงมีสองแบบหนึ่งสม ม, สจจสงมุติสัจจะสองปรมาิตยสัจจะสมมุติสัจจะก็ไม่ตามเรื่องนะแล้วจะเป็นไปะเขาเป็นอะไรสมมุติปไปแล้วเขาสมมุติไปอย่างนั้น แต่ลึกๆเนี่ยคือข้างในเนี่ยมันไม่สมมติด้ว ย, ยมันเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบอกบานแล้วอยู่ภายในเนี่ยที่มาของสิ่ ง, งท่างๆต่งปวงก็คือการทําความรู้สึกตัวนี่แหละรู้สึกตัวมีสติแต่สติต้องเป็นสติที่เป็นพัฒนา ส, นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เมล็ดสติเนี่ยมันเมล็ดสตินเนี่ย แต่ต้องให้สติมันโตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นไปสู่การรู้แจ้งสัญชาติญาณของมนุษย์แต่ก่อนเกิดมาเป็นเด็กแค่จะเล่นหัวหวต่อมามันเริ่มมีวัฒนธรรมมีสังคมมีซูปเปอร์อีโก้มาครอบคุมขึ้นมามันก็เริ่มดีๆขึ้นมาแล้วใคยๆว่าเป็นที่ยอมรับของสังคนว่าคนนี้มีการศึกษาดีมีความรู้ดีอันนั้นก็คือสมมุติเฉยๆนั้นสติทางโลกจะเป็นแบบนั้นนะ่ะคือเป็นแบบนั้น แต่ถ้าพูดไปแล้วก็คือเป็นแบบสัรชาติยานที่ถูกครอบคุมด้วยวัฒนธรรมนี้นี่หน่อยนั้นเองแต่ น, นี่อันนี้เป็นเรื่องของสัจธรรมอ่ะเนี่ยมันจะคนละแบบกับมันนะเราพัฒนาสัจธรรมรู้ตัวทั่วพร้อมมองไปเรื่อยไปสู่อา้าวไปทะลุสู่มิติสู่การรู้แจ้งหนะลุดออกจากความผูกพันด้วยความโลภโกรธหลงไปเลยอันนี้คือเส้นทางของพุทธธรรมที่เราควรจะมี แล้วเป็นการศึกษาที่เราควรจะให้กับลูกหลานควรจะให้กับตัวเองควรจะให้กับครอบครัวคนไหนที่เรารักคนไหนที่เราเคารพเราพอใจเราเราควรจะให้เขามีอย่าให้เขารู้จักพุทธภาวะรู้จักภาวะของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยควรจะมีอันนี้นะไม่ใช่หลงไหลไปกระทาอะไรสักอย่างแล้วเราหลอกกันว่าประสบผลสําเร็จประสบผลเสด็จแต่ในใจลึกๆก็ผิดหวังสมหวังพอใจไม่พอใ จ, อ, ใจอยู่แบบนะั้นอะไรคือประสบสเส็จ เราประสบสซเดตในสิ่งที่สมมุติมันสมมุติมันไม่มีจริงน่ยมันก็เกิดเกิดดับๆอยู่แบบนั้นน่ะแต่อันนี้มันจะไม่ใช่สมมติอันนี้มันเป็นเรื่องของสัจจะนะนั้นก็คิดว่าเรา อ, อยู่15นาทีนะก <นะ S 1> ็จะตั้งหลนะไปพักผ่อนหลับนอนนะเพื่ออย่างมีสตินะไปอย่างมีสติแปล้งฟันอย่างมีสติหลับนอนอย่างมีสติตื่นขึ้นมาก็ทําความเพียนและลึกรู้อย่าเพิ่งเอาอะไรมาใส่ใจตัวเองพยายามทิ้งไป ให้เหลือแต่ใจรู้สึกตัวล้วนๆเนี่ยเนมองข้างไหนนี้ให้รู้สึกแต่ใจลว้วนๆรู้สึกตัวล้วนดูมันน่ะให้เห็นว่ามันเกิดมันดับยังไงความพอใจไม่พอใจไอ้การเกิดการดับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสมมตินะเดี๋ยวความคิดเกิดเดี๋ยวความคิดดับเดี๋ยวความว่วงมาเดี๋ยวความว่างดับแต่การเกิดดับไปปรมาธิเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบนี้การเกิดดับไบปรมัาธิคือมันเกิดยาแล้วเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยแล้วกิเลสมันดับไปแล้วมันไม่เกิดอีกนะ อันนั้นนะเราจะให้มันเป็นอันนั้นเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันต้องดับอไอเลเล่ในน้อยนี้ไปก่อนก่อนที่จะเป็นอันนั้นเราเตรียมตัวครับ